ทุกคนคงไม่มีใครที่ปรารถนาความทุกขนะ์เรือว่ามนุษย์ทุกคนนี่ก็รู้แล้วแต่อยากจะห่างไกลาจากความทุกข์ไม่อยากให้ความทุกข์มาเกิดขึ้นกับตัวเราเองถ้าคนที่มีสติปัญญาเนะเมื่อไม่ต้องการให้ความทุกข์เกิดขึ้นกับตัวเองก็ต้องหาทางป้องกันเอาไว้ก่อนเช่นไม่อยาก เจ็บไม่อยากป่วยนะก็ต้องดูแลรักษาสุขภาพให้ดีมาออกกำลังกายนะหรือว่าพยายามหลีกเลี่ยงการมีพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคภัยไข้เจ็บถ้าไม่อยากให้ทรัพย์สินสูญหายนะก็ต้องหาทางป้องกันไม่ให้คนมาขโมยได้ง่ายๆไม่อยากจะ ประสบความล้มเหลวนะก็ต้องหาทางป้องกันไม่ให้ความล้มเหลวนั้นเกิดขึ้นอันนี้ก็เป็นเรื่องพื้นฐานแต่แม้กระนั้นก็มีคนจนวนไม่น้อยนะเรียกว่าละเลยปล่อยปลาเรื่องนี้ส่วนก็เพราะว่ามีความประมาทหรือเห็นว่า ไอความทุกข์ที่ว่าเนี่ยมันยังอยู่อีกไกลคนเวลาที่มีสุขภาพดีหรือว่าชีวิตเนะี่ยราบรื่นก็มักจะไม่ค่อยกอระตือรือร้นที่จะป้องกันเหตุร้ายเท่าไหร่เพราะคิดว่ามันคงไม่เกิดขึ้นกับฉันถ้านั่งที่รู้ว่ามันเกิดขึ้นกับใครต่อใครมากมาย แต่เราก็มักจะมีเหตุผลเพื่อที่จะอ้างว่ามันไม่เกิดขึ้นกับฉันหรอกอย่างช่วงเทศกาลปีใหม่เนี่ ย, ยก็ดีนข่าวคราวนะรถมอเตอร์ไซค์ประสบอุบัติเหตุพอเกิดอุบัติเหตุทีไรหัวก็นอกกับพื้นถ้าไม่ตายก็เป็นอัมพาตเขาจึงมีการลุน์นงนะให ป้องกันนะด้วยการสวมหมวกกันน็อกหรือว่าป้องกันให้มากกว่านั้นด้วยการไม่กินเหล้าขับรถไม่เร็วเกินควรทั้งหมดนี้ก็เป็นมาตรการป้องกันนะเพื่อไม่ให้เหตุร้ายเกิดขึ้นกับผู้คนแต่ก็ยังมีคนไม่น้อยทีเดียวนะเกลียนกินเหล้าแล้วยังขี่จั ก, กรยานโดยไม่สวมหมวกกันน็อก พวนี้พอประสบอุบัติเหตุเข้าแล้วเนี่ยไปถามเขาหน่ว่าไม่รู้หรือว่านะขับรถเมาเนี่ยมันเป็นอันตรายหรือว่าไม่สวมหมวกกันน็อกเนี่ยมันจทําให้เกิดอุบัติเหตุเอามาพึ่เอามาพลาดได้ส่วนใหญ่ก็บอกว่ารู้แนละ้วแล้วทําไมยังทําะทําไมไม่สวมหมวกกันน็อกทําไมยงกินเหล้า แล้วถ้าเขาตอบตรงๆเขาก็จะบอกว่าพ่อไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นกับเขาคือก็รู้ว่ามันเกิดขึ้นกับใครต่อใครมากมายแต่ก็ยังมีเหตุผลหรือข้ออ้างว่าถึงยังไงมันก็ไม่เกิดกับฉันหรอกอันนี้เรียกว่าประมาทนะแคนเราเนี่ยเวลาสุขสบายแล้วก็มักจะเพลิดเพลินแล้วก็ไม่คิดที่จะทําอะไระเพื่อป้องกันเพราะว่ามัน มันทําให้เกิดความเหนื่อยยากขึ้นคันนี้สิ่งที่จะทําให้คนเราเกิดความกระตือรือร้นในการที่ป้องกันนะก็คือการนะมองไปข้างหน้าว่าไอ้ความทุกเหล่านี้เนี่ยมันสามารถจะเกิดขึ้นกับเราได้ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นความเจ็บความป่วยความสูญเสียอุบัติเหตุหรือว่าในกระทั่งความตาย พอราลืกแบบนี้แล้วเนี่ยมันก็ทําให้เกิดความตื่นตัวเกิดความไม่ประมาทอันนี้แหละคือเหตุผลที่พระเจ้าได้ตรัสเป็นปาชิมโมวาดว่าวิยะธรรมาสังคาราสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอท่านทั้งหลายจงทําความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมหรือท่านทั้งหลายจงทําประโยชน์ให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาท คนที่มีสติปัญญาก็รู้แล้วว่าที่พระเจ้าพูดว่าสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมกาเนี้มันหมายความว่าอย่างไรนะไม่ต้องแจกแจงมากก็รู้แล้วนะหมายถึงความเจ็บความป่วยความพัดพระและความตายถ้าพอรู้เช่นนี้แล้วเนี่ยก็ทําให้เกิดความกระตือรือร้อนนะที่จะอาหาทางป้องกันถ้าคนเราถ้าไม่ไม่นึกถึงเรื่องพวกนี้บ้างนะก็ ก็เฉื่อยชานะอาการเจริญรณอนสติเนี่ยก็เป็นการกระตุ้นให้เราเกิดความไม่ประมาทแล้วก็เกิดความกระตือรือร้นขนขวายไม่เพลิดเพลินในความสุขนะหรือว่าเอาแต่นั่งเล่นนอนเล่นนะต้องลุกขึ้นมาทำความดีสร้างบุญกุศล แล้วก็ทำหน้าที่ของตัวให้ครบถ้วนสมบูรณ์ไม่ว่ามันจะใช้เวลานา น, นเท่าไหร่ก็ไม่ไม่ดิ่งเฉยค่อยๆทาไปก็ยังดีอันนี้รวมถึงการป้องกันเหตุร้ายอย่างอื่นด้วยแต่ไม่ว่าเราจะป้องกันอย่างไรนะเหตุร้ายก็ต้องเกิดขึ้นจนได้ไม่ว่าเราจะสร้างก่อกาแพงให้แน่นหนาแค่ไหน สูงเพียงใดในมีระบบมาตรการความปลอดภัยมันก็มีวันที่โจรเนี่ยจะเข้ามาลักขโมยป้นเอาของหรือทรัพย์สินมีค่าในบ้านได้ไม่ว่าเราจะดูแลร่างกายดีอย่างไรนะมันก็มีวันที่จะเจ็บป่วยแล้วคนที่ดูแลสุขภาพกินอาหารชีวิตจิต กินอาหารเสริมนะมากมายถ้าเกิดว่าตั้งความหวังหรือมีความเข้าใจว่ากินแบบนี้แล้วนี่จะไม่ป่วยเลยนี่ก็อันตรายนะเพราะว่าพอเจ็บป่วยแล้วก็ทําใจไม่ได้เรียว่าทุกทั้งกายทูกทั้งใจแล้วคนไม่ว่าจะเตรียมพร้อมมาดีอย่างไรอย่างเช่นทีมฟุตบอลเนี่ยนะ ทีมชั้นนำเนี่ยระดับโลกนี่แต่ละครั้งแต่ละครั้งนี่เขาเขาเตรียมตัวมาอย่างดีวางแผนกันมานะลงนากันหลายวันซ้อมกันวันละหลายชั่วโมงแต่ก็ไม่มีทีมไหนที่ไม่รู้จักแพ้นะมันก็ต้องมีวันแพ้แล้วนะเขาจึงเรียกว่าอันนี้คือเกมกีฬานะเกมกีฬาธรรมชาติมันคือมีชนะแล้วก็มีแพ้ เพราะฉะนั้นเรื่องความทุกข์เนี่ยไม่ว่าจะป้องกันแค่ไหนดีเพียงใดนะมันก็ต้องเกิดขึ้นจนได้ทั น, นี้พอเกิดขึ้นแล้วจะทำอย่างไรอย่างแรกที่ต้องทำก็คือทำใจนะทำใจทำใจอย่างไรก็คทำใจยอมรับทาใจยอมรับว่ามันเกิดขึ้นแล้วแล้วทำไมต้องทำใจยอมรับนะ ก็เพราะว่าถ้าบนตีโพยตีพายปฏิเสธผลักสายไม่ยอมรับมันก็จะเกิดความทุกข์ใจและพอทุกข์ใจแล้วเนี่ยมันก็ทำให้ไม่มีอารมณ์ที่จะทำอะไรอย่างอื่นนะเช่นคนที่ป่วยพอตัวเองเป็นมะเร็งจะนัากิน ท, ที่กินอาหารสุขภาพออกกำลังกาย นะทุ่มทุนไปกับเรื่องอาหารเสริมอาหารขภาพมากมายเป็นแสนเพราะคิดว่าจะไม่เป็นมะเร็งพอพอวกเขาตัวเเป็นมะเร็งเนี่ยหลายคนก็ทำใจไม่ได้บนตีโพยตีพายทำไมต้องเป็นชั้นบางคนกดแค้นนะกดแค้นคนที่แนะนำอาหารเหล่านั้นนะเอาไหนบอกว่ากินแล้ว เป็นอาหารต้านมะเร็งไงทำไมชามฉันึงเป็นมะเร็งก็เกิดความขับแค้นรู้สึกเหมือนกับถูกหลอกถูกโกงแล้วคนธรรมดาเวลามีความทุกข์ก็มักจะาหาเหยื่อหาแพะหรือโทษแล้วมักจะโทษสิ่งต่างๆนอกตัวหรือบางทีก็โทษดินฟ้าอากาศโทษ ดวงดาวชะตากรรมมาต้องหาเป้าสักอย่างและผลเกิดขึ้นคืออะไรก็คือความทุกข์ใจกลัดเกลียวแทนที่สุขภาพย่ำแย่เราจะหาทางฟื้นสุขภาพไปคืนมาหรือว่าประคับประคองสุขภาพให้มันดีขึ้นกนะ็เอาเอาแต่โมโหโกรธากลัดเกลียว หรือตีโพยตีพายบางคนไม่เป็นอันกินไม่เป็นอันนอนหมดอะไรตายอยากกับชีวิตนะไม่มีชีวิตชีวาเลยนะก็ถ่าก็ทำใหนะ้ความเจ็บป่วยนี่มันลุกลามเร็วขึ้นและแถมก็ไม่ใช่ป่วยแค่กายนะป่วยใจด้วยเป็นการซ้ำเติมตัวเองสิ่งที่ควรจะทำก็เลยไม่ได้ทำเช่น เมื่อรู้ว่าป่วยแล้วเราก็ต้องหาทางที่จะยับยัง้งบรนเทาหรือว่ารักษาแต่ถ้าเกิดว่ากลุ้มอกกลุ้มใจหรือว่าคับแค้นเพราะว่าใจมันปฏิเสธไม่ยอมรับก็เลยไม่เป็นอันทาอะไรแทนที่จะอ่าไปปรึกษาหมอปรึกษาผู้รู้ หรือว่าค้นหาทางอินเทอร์เนต็ตว่าเออโลกเราเป็นอย่างนี้เราจะรักษาทางไหนดีใช้แพทย์แผนใหม่ผ่าตัดฉายแสงเคมีบำบัดหรือว่าใช้ออ่วิธีการทางเลือกนะก็ไม่ได้ทํานะเพราะว่ามันหมดอะไรตายอยากไปซะและ้วอันนี้ก็เรียกว่าทําร้ายตัวเองเป็นการซ้ําเติมตัวเองทำให้สถานการณ์ย่ําแย่ลงหลายคนลืมไปว่า มะเร็งนี่มันมันทำได้อย่างมากก็บั่นทอนสุขภาพเราสุขภาพกายแต่ว่ามันทำอะไรจิตใจเราไม่ได้ไอ้สิ่งที่ทาอะไรจิตใจเราได้คือการปฏิเสธผักสายไม่ยอมรับเนี่ยไอ้ตรงนี้แหละเงินหายของหายก็เหมือนกันนะถ้าใจไม่ยอมรับแล้วนะมันจะไม่ใช่หายหรือเสียแต่ของนะ ใจก็เสียต่อไปสุขภาพก็เสียเพราะกินไม่ได้นอนไม่หลับไม่ยอมกินไม่ยอมนอนตรอมตรนใจสุขภาพเสียไม่พองานก็เสียด้วยถึงแม้ไม่เสียสุขภาพนะแต่ว่าไม่มีใจทำงานไม่มีกระจิกกระใจไม่มีอารมณ์ทำงานสมาธิหายไปหมดงานก็เสียเพอเพอถุกาลออนะ พองุ่นหงิดขุณเครื่องใจนะก็ระบายอารมณ์ใส่คนรอบข้างลูกคนรักแฟนสามีภรรยาหรือพ่อแม่เพื่อรวม ง, งานความสัมพันธ์ก็เสียอีกนะหรือว่าเล่าฉานมันเสียกันเป็นรนเนร์ น, นาเลยนะแทนที่จะเสียแต่ของนะก็เสียไปอีกสี่อย่างเสียใจเสียสุขภาพเสียงานเสียสัมพันธภาพ ท่า น, นี่เพราะอะไรเพราะว่าการที่ใจไม่ยอมรับไม่ไม่ปฏิไม่ใจปฏิเสธผักใส <c oughs> เพราะนั้นอย่างไรที่คนทําคือทําใจยอมรับเพราะว่าถ้าไม่ทําใจยอมรับมันก็จะทําให้ส า, หาการย่ําแย่ลงมันทําให้จุทำให้ทุกข์ใจตามมาทําใจยอมรับก็เพราะว่ามันเป็นความจริงที่เกิดขึ้นแล้วป่วยการที่จะปฏิเสธป่วยป่วยการที่จะผลักใสมัน ทำใจยอมรับเพื่อที่เราจะได้เอาเวลาและสติปัญญาที่มีไปใช้ในการแก้ไขบรรเทาเหตุการณ์ลดทอนความรุนแรงให้มันลดลงให้มันน้อยลงเปลี่ยนร้ายให้กลายเป็นดีซะอันนี้เป็นวิสัยของผู้ที่มีปัญญานะคือก่อนที่ยังไม่เกิดเหตุนะก็ป้องกันป้องกันเต็มที่เลย เพราะว่าตั้งอยู่ในความไม่ประมาทอันนี้เรียกว่าทำกิจนะการพยายามป้องกันนะไม่ให้เหตุร้ายเกิดขึ้นไม่ว่ากับร่างกายของเรากับทรัพย์สินของเรานะกับคนรักของเรากับงานการของเรารนะวมทั้งกับชุมชนสิ่งแวดล้อมของเรานี้อันนี้เรียกว่าเป็นการทํากิจจะทํากิจได้ดนะีต้องตั้งอยู่ในความไม่ประมาทต้องระลึลกถึงอนะ่า เหตุรายที่อาจเกิดขึ้นในตอลอดเวลาแม้ว่าขณะนี้ยังมีความสุขความเจริญความพั่งพร้อมความสะดวกลาดรือก็ตามที้พอทํากิจแล้วเนี่ยนะมันก็ต้องพร้อมทําจิตไปด้วยเพราะว่าไม่ว่าเราจะทํากิจแค่ไหนดีเพียงใดมันก็โอกาส ผ, ผิดพลาดก็เกิดขึ้นได้บางอย่างมันก็ป้องกันได้เกือบร้อเอร์เซนตนะ แต่บางอย่างป้องกันยังไงก็ต้องเกิดขึ้นเช่นความเจ็บป่วยเนี่ยนะความเจ็บป่วยเนี่ยมันต้องเกิดขึ้นแน่นอนเพราะมันเป็นธรรมดาของมนุษย์เป็นธรรมดาของสังขารสังขารมันมีหน้าที่แก่หน้าที่เจ็บป่วยอยู่แล้วความพัดพรากของคนที่เรารักคนที่เรารักเนี่ยโดยเพราะคนที่มีอายุมากกว่าเราเนี่ยเป็นพ่อแม่ปยยู่ย่าตายายพวกนี้ี่ยแม้ว่าเราจะดูแลสุขภาพก็ดีเพียงใดนะ ในส่วนเขาก็ต้องตายแในส่วนใหญ่ก็ตายก่อนเราแล้เมื่อเขาตายแล้วนี่ก็อย่างเดียวทําได้ที่ทําได้คือทําใจทําใจยอมรับรวมทั้งความตายของเราเองก็เหมือนกันนะก็ต้องทําใจยอมรับเพราะว่าเราทุกคนก็ต้องตายกันทั้งนั้นไม่ว่าเราจะดูแลตัวเองดีเพียงใดก็ตามทุกบางอย่างป้องกันได้ร้อยเอร์เซ็นแต่ทุกบางอย่าง มันได้แค่ชะลอนะความแก่ความเจ็บความพัดพ่าและความตายพวกนี้คือสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนเพราะนั้นเนี่ยการการเตรียมตัวเตรียมใจเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญการเตรียมตัวเตรียมใจนะการที่เรามาศึกษาธรรมะก็คือก็คือการมาศึกษาความจริงของชีวิตของโลก และมาศึกษาจริงๆก็หนีไม่พ้นนะที่จะต้องตระหนักยอมรับถึงความไม่จริงหลังย่างเยืนของสังขารนี่เตรียมใจเนี่ยมันไม่ใช่เตรียมใจแค่รับรู้ว่านี่คือสัจธรรมความจริงของชีวิตแต่ว่าเตรียมใจหมายถึงว่าการฝึกใจให้สามารถที่จะยอมรับเมื่อมันเกิดขึ้นด้วยการยอมรับเนี่ยการยอมรับความจริงเนี่ยเป็น เป็นการทำใจขั้นพื้นฐานนะในเมื่อเราเจอเหตุร้ายขึ้นมาสิ่งที่ตรงข้ามกับการยอมรับความจริงนะก็คือการปฏิเสธผักใสบนตีโพยตีพายโวยวายโอดครวนนะเมื่อใดก็ตามที่เราเกิดอารมณ์ขังสื่อแบบนี้ขึ้นแสดงว่าเรายังไม่ยอมรับความจริงนะเรายังปฏิเสธความจริงซึ่งมันก็มักจะเกิดขึ้นจากความยึดติดถือมั่น ในสิ่งที่เป็นอดีตในสุขภาพในร่างกายในทรัพย์สมบัติในสิ่งของในคนที่เราลักยิ่งยึดมั่นถือมันมากเท่าไหร่พอมันแปลเป็นอื่นไปนะใจก็ยอมรับได้ยากไม่ต้องเป็นคนก็ได้นะแค่สิ่งของเช่นเก้าแบงเงินทองหรือว่ารถยนต์ พอยึดมั่นถือมั่นนะมากๆนี่ไม่ต้องหายหรอกนะแค่มันมีรอยขีดข่วนรถนี่มีรอยขีดข่วนขึ้นมานี่ก็โมโหโกรธาเครียดแคนครุองอกกุมใจยิ่งยึดมั่นถือมั่นมากเท่าไหร่นั้นก็ยอมรับได้ยากเพราะฉะนั้นเนี่ยไอการที่เราจะยอมรับสิ่งต่างยอมรับความทุกข์ที่เกิดขึ้นหรือว่าเหตุการณ์ใหญ่ๆที่มันเกิดขึ้นเราได้ได้เนี่ยมันก็ต้องมีการเตรียมใจไว้ก่อน เช่นเตือนใจเราว่าเนี่ยไอสิ่งเหล่านี้เหตุร้ายแบบนี้เกิดขึ้นได้ตลอดเวลาคิดเผื่อเอาไว้อย่างที่เราสวดอภินปาปัจเวกนะเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล้มพิ้นความแก่ไปไม่ได้เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล้มพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้เรามีความตายเป็นธรรมดาจะล้มพ้นความตายไปไม่ได้เราจะพลาดพลาดจากของรักของชอบใจทั้งนั้นอสวดทุกวันทุกวัน พิจรารณามันอยู่เสมอเป็นเครื่องเตือนใจมันก็ช่วยทําให้เราปล่อยวางได้มากขึ้นหรือว่ายึดมั่นถือมั่นน้อยลงอันนี้พอมันเกิดขึ้นก็จะทําใจไดนะ้เพราะคิดเอาไว้แล้วเตือนใจไว้แล้วนะเรื่องการทากิจกับทาจิตนี่มันต้องทําควบคู่กันไปนะทากิจก็ป้องกันหาทางป้องกันเอาไว้แต่เนิ่นๆแล้วก็ เตรียมเตรียมใจไว้ด้วยนะพอเตรียมใจไว้ได้ดีพอมันเกิดขึ้นเราก็ทำใจปล่อยวางได้ทำใจยอมรับมันได้การยอมรับความจริงเนี่ยมันเป็นอย่างที่บอกนะมันเป็นมันเป็นสิ่งแรกที่เราควรทำและน่าจะทำให้ได้เมื่อเกิดความทุกข์ขึ้นมาไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ การยอมรับเนี่ยนะมันไม่ได้แปลว่ายอมแพ้นะเช่นเราเจ็บป่วยเราก็ยอมรับว่าเราเจ็บป่วยนะไม่ไม่มาเสียดงเสียดายว่าก่อนหน้า น, นี้เราเคยเดินเหินไปไหนมาไหนได้แต่ตอนที่เราเจ็บป่วยไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงเป็นอามาัอามาาพนะมมมามา มันจะทำอะไรไม่ได้มันก็ยังทำอะไรได้นะโรคบางอย่าง ม, มันรักษาหายได้ถึงรักษาไม่หายก็สามารถที่จะเยียวยาบรรเทาได้คนเป็นอัมพาตกระมาพลาดเขาก็ยังสามารถที่จะฝึกหัดตัวเองจนสามารถที่จะที่จะเดินเหินได้เหมือนเดิมแม้แต่คนตาบอดนั้นไม่มีทางที่จะรักษาหายด้วยเทคโนโลยีที่มีอยู่ แต่กยังสามารถจะเดินเถินได้เหมือนคนปกตินะมีหลายคนที่ปอตาบอดแล้วก็เขาก็ฝึกนะการใช้หูไม่ได้ใช้ไม้เท้านะใช้หูแล้วก็เวลาจะเดินก็เดาะลิ้นหรือกระดกลิ้นอาศัยเสียงที่สะท้อนกลับมานี่แหละเป็นเครื่องบอกว่าข้างหน้าเนี่ยมันโล่งหรือว่ามันมีรถจอดอยู่หรือมันมีเสาวขวางอยู่ข้างหน้า บางคนที่ทําได้ตั้งแต่เล็กนะก็ได้ไดกําไรไปทำตั้งแต่เล็กเนี่ยเขาเดินเนี่ยหรือแม้แต่วิ่งเนี่ยทั้งที่ตาบอดนี่ก็วิ่งโดยที่ไม่ต้องชนอะไรเลยบางคนยิ่งกว่านั้นนะขี่จั ก, กรยานก็ได้นะเคยมี <c oughs> เขาทําเรื่องราวของคนตาบอดที่ขี่จั ก, กรยานโดยใช้วิธีเดาะลิ้นนะกระดกลิ้นหูขเขาเนี่เหมือนข้างคาวเลยเพราะว่าไอ้สมองส่วนที่มันเคยใช้รับภาพนี้มัน ถูกเอาไปใช้ในการรับฟังเสียงได้ละเอียดมากอันนี้ก็เรียกว่าเขาทำทากิจเขาไม่ได้ยอมแพ้เขายอมรับว่าฉันตาบอดแล้วแต่ว่าฉันก็ไม่ยอมแพ้ฉันก็พยายามที่จะหาทางพัฒนาความสามารถด้านอื่นเพื่อมาทดแทนหรือว่าทำให้ใหความทุกข์มันบนางเบ า, บาบางลง คนเราเนี่ยจะว่าไปแล้วเนี่ยความทุกข์ใจเนี่ยส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากการที่ยอมรับไม่ได้กับสิ่งที่เกิดขึ้นเวลาเสียงดังเนี่ยนะแล้วทุกข์ใจเนี่ยเพราะว่าอะไรไม่ใช่เพราะเสียงดังนะแต่เพราะว่าใจมันไม่ยอมรับใจมันปฏิเสธเสียงนั้นอาจจะบ่นในใจว่าทําไมไม่ปิดเสียงโทรศัพท์นะหรือว่าทําไมเสียงมาดังตอนนี้นะ เสียงดังแค่ไหนแต่ถ้าใจยอมรับมันยอมรับได้นะใจก็สงบนะอนาไปพุทธคยาเนี่ยนานนี้ก็คนไทยก็ไปกันเยอะนะไม่ใช่คนไทยเดียวไปกันทั้งโลกเลยพุทธคยาเนี่ยมีคนไปเป็นหมื่นหมื่นคนทุกวันนะถ้าใครที่ไปหาความใครที่ปรารถนาความสงบที่นั่นนี่จะผิดหวังเพราะว่าทั้งพลุพรานทั้งเสียงดังฟังไม่ได้สับตลอดวันเพราะว่าผู้คนเนี่ยไปก็ไม่ได้ไป สักการะบูชาด้วยเครื่องหอมดอกไม้นะแต่ไปก็ไปสวดมนต์ด้วยเดินประทักศินรอบพระเจดีย์พุทธคยาก็สวดมนต์ไปของพระไทยแเราก็อิติปิโสของเขเมรก็อิติปิโสแต่คนละสำนวนคนละสำเนียงนะที่เบนนี้ก็ดังนะรอบประทักศินใส่ก็มีการทำวัดช้าวัดเย็นมีการแสดงธรรมรอบตนประสีมหาโพธิ เป็นอย่างนี้ทั้งวันนะเสียงดังแต่ก็ปรากอว่ามีคนนะเป็นร้อยเลยนะนั่งอยู่รอบพระเจดีย์นั่งหลับตาทําสมาธิสงบนะเหมือนกับว่าเสียงนั้นทำอะไรเขาไม่ได้เหมือนกับว่าไม่ได้ยินเสียงเลยที่จริงเขาได้ยินนะเสียงเพราะเสียงมันดังตลอดเลยโดยเพพาะเสียงสวอของพระทิเบตนี่จะดังมากแต่ว่า คนเหล่านี้เขาก็สงบได้เพราะอะไรเพราะใจเขาไม่ผักสายไม่ปฏิเสธเสียงเหล่านั้นเขายอมรับได้ที่ยอมรับได้เพราะอาจจะมองว่าเนี่ยเสียงที่ได้ยินนะั้นเป็นเสียงสารเสริญพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณเป็นเสียงที่ออกมาจากจิตที่มีศรัทธาใจก็ยอมรับแต่ถ้าเกิดว่าเขาไปนั่งอยู่ริมถนนหรือว่าไปนั่งอยู่กลางตลาดที่มีเสียงดังในระดับเดซิเบลพอๆกันหรือน้อยกว่าได้ซ้ํา อาจจะ ก, กระสับกระสายด้วยซ้ําเพราะอะไรเพราใจไม่ยอมรับฉั้นความสงบในใจเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเสียงดังหรือเปล่านะมันอยู่ที่ว่าใจยอมรับหรือใจปฏิเสธาความสิ่งที่เกิดขึ้นกับร่างกายของเราก็เหมือนกันนะถ้าใจยอมรับนี่แม้จะเป็นลรมะเร็งเนี่ยก็ใจก็สงบได้ไม่กระสับกระสายแต่ถ้าหากว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเองแม้เพียงเล็กน้อยเช่นเป็นสิวเนี่ยนะ ผิวตกกลางเนี่ยพอใจไม่ยอมรับนิโอ้ไม่เป็นอัรกินไม่เป็นอาร น, นอนเลยกลุ้ม อ, อกกุ้มใจมา ก, กความทุกข์ใจนี่ไม่ใช่เพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นากับกายมันรุนแรงแม้เพียงเล็กน้อยแต่ถ้าใจปฏิเสธแล้วก็เป็นทุกข์ฉะนั้นจะว่าไปแล้วในการยอมรับเนี่ยสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยมันช่วยทําให้เราผ่านไปได้เสียงดังแต่ถ้าใจเรายอมรับได้มันก็ผ่านไม่ติด ภาษาไทยเนี่ยคําว่าขัดใจเนี่ยนะขัดใจซึ่งหมายถึงความขุนเคืองใจความไม่พอใจเนี่ยคําว่าขัดเนี่ยมันแปลว่าใจมันติดติดขัดนะถ้าเราขัดใจเรื่องอะไรก็แสดงว่าใจมันติดขัดใจมันไม่ไปละขัดใจเรื่องโรงแรมนะที่บริการไม่ดีถึงแม้ออกไปเที่ยวแล้ว ออกไปที่ อ, อกไปไกลถึงทัชมาฮาไปไกลถึงสังเวชีนสถานแต่ว่าใจก็ยังไปไม่ถึงไหนใจมันก็ยังหวนกลับไปที่โรงแรมนะไม่พอใจโรงแรมที่บริการไม่ดีว่าจ้าไม่สุภาพในเรื่องว่าติดขัดนะติดใจมันติดมันใจมันขัดเมื่อใดก็ตามที่ขัดใจนะใจมันก็จะติดอยู่ตรงนั้นแหละมาไม่ไปไหน แลวการที่เราปฏิเสธผักใสมันก็เป็นอาการของความความขัดใจก็ทำให้ใจมันติดไม่สามารถจะผ่านไปข้างหน้าได้แต่ถ้าเรายอมรับนะเรายอมรับเนี่ยมันก็ทำให้ใจนี่วางได้อะไรก็ตามเกิดขึ้นกับเราเรายอมรับมันได้เมื่อยอมรับได้ทุกอย่างมันก็ปล่อยวางได้ทุกสิ่งมันไปด้วยกันนะพอยอมรับปุ๊บเนี่ยมันก็จะวางได้ยอมรับความเจ็บปวด ย, ยอมรับความสูญเสีย ใจก็จะวางสิ่งที่เกิดขึ้นซึ่งเป็นอดีตไปแล้วแล้วก็ผ่านเลยไปข้างหน้าและการยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราเนี่ยนะมันนำมาใช้ได้กับการภาวนานะตัวมันเองก็เป็นการภาวนาที่ดีอยู่แล้วนะก็คือการที่เราอยู่กับปัจจุบันยอมรับความจริงที่เกิดขึ้นในปัจจุบันยอมแล้วแล้วก็ปล่อยวางอย่างที่พระพุทธเจ้าได้สอนพระ นันทิยะว่าเนี่ยให้ปล่อยวางทั้งข้างหน้าข้างหลังและท่ามกลางก็คือไม่ยึดติดในอดีตอนาคตและปัจจุบันอะไรเกิดขึ้นก็ยอมนะยอมแล้วมันก็จะวางไปเองแต่ว่าการยอมรับเนี่ยนะมันไม่ได้หมายถึงยอมรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรอบตัวเราเท่านั้นนะหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเราจะเป็นควรไปถึงขั้นยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นในใจเราด้วย โดยเพาะเวลาเราภาวนาเนจริญสติปัฏฐานเนี่ยมันจะมีอะไรต่ออะไรมากมายเกิดขึ้นในใจโดยเพราะความฟุ้งซ่านความว้าวุ่นหลายคนก็จะมาบน่นกับตมาว่าทำยังไงดีนะเพิ่งมาปฏิบัติธรรมแต่ว่าทำได้แค่ห้านาทีนั่นแหละมันก็ว้าวุ่นแล้วหลายคนจะรู้สึกท้อปัญหาเข้าคือเขาเนี่ยไม่ไม่ยอมรับ ให้ความว่าวุ่นนะว่ามันเป็นธรรมดาของใจเขาพยายามปฏิเสธพยายามที่จะกดข่มพยายามที่จะบังคับมันก็บอกเขาเขานะทุกครั้งว่าอาตมาก็เป็นนะใครๆทําคนที่พวนาก็เป็นกันทั้งนั้นแหละมันไม่ได้เป็นกับโยมคนเดียวพอเขาได้ยินเขาก็มีกําลังใจนะพราะเขาเริ่มเห็นได้ว่ามันเป็นธรรมดาเริ่มยอมรับได้ว่าเออใช้สิ่งที่เกิดขึ้นมัน นะเป็นธรรมดาของใจเพราะธรรมชาติของใจนะมันก็คือชอบวิ่งเที่ยวละเห่เร่ร่อนนะเหมือนลิงที่ไม่อยู่สุขนี่พอเรายอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นในใจได้เนี่ยก็ทําให้ใจเนี่ยเป็นทุกข์น้อยลงโดยเพราะการเจริญสติเนี่ยนะมันไม่ใช่เป็นการเจริญสติเพื่อเพื่อให้เกิดความสงบแต่เพื่อเกิดความรู้สึกตัวเพื่อ ใ, ใจอยู่กับปัจจุบัน เพราะฉะนั้นครูบาอาจารย์เนี่ยหลวงพ่อเทียนหลวงพ่อคำเขียนท่านก็จะพูดอยู่เสมอนะฮะว่าให้รู้ซื่อให้เห็นเฉยเฉยบางทีท่านก็อธิบายว่าเนี่ยคิดดีก็ช่างคิดไม่ดีก็ช่างนะบางคนนี่คิดดีนี่ก็จะเอาคิดไม่ดีก็จะผักใสผิดทั้งนั้นนะคิดดีก็ช่างก็คือว่าเฉยคิดไม่ดีก็เฉยดูมันไปเหมือนกับเราดูละคร แต่ว่าถ้าเราดูละครไม่เป็นเราก็จะอินไปกับตัวละครบางทีก็กดด่าตัวละครบนเวทีด้วยอันนี้เราดูไม่เป็นแต่ถ้าเราดูเป็นเนี่ยตัวละครมันจะร่ดแร่นบนเวทีไงเราก็เป็นเพียงแค่ผู้ดูดังนั้นการการที่เราจะรู้ซื่อๆอย่างที่หลวงพ่อท่านแนะนําได้เนี่ยวิธีนึงก็คือการที่เราฝึกใจให้ยอมรับนะยอมรับทุกอย่างที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน มันจะฟุง้งมันจะขุนมันจะมัวไงก็หรือแม้แต่จะง่วงก็ยอมรับมันอันนี้ก็ช่วยทำให้เราสามารถที่จะรู้ซื่ อ, อหรือว่าดูเฉยๆได้เห็นเฉยๆโดยที่ไม่ไปผักใสในอารมณ์ที่เป็นลบหรือว่าไม่เคลิ้มคล้อยไปกับอารมณ์ที่เป็นบวกคิดดีก็ไม่ได้ไม่ใช่เพลินตามมันคิดร้ายก็ไม่ใช่ผักใสขุนเคือง หตีโพยติภายบางคนเป็นทุกข์นะพอเห็นพร้พอมภาวนาแล้วเนี่ยเจริญสติแล้วเนี่ยเห็นความไม่ดีของตัวเกิดขึ้นในจิตใจที่จริงมันไม่ใช่เป็นความไม่ดีของตัวนะมันเป็นธรรมชาติของจิตเห็นความโกรธความอิจฉาเห็นราคะเห็นความเครียดแค้นความนเหน่อยหน้าต่ำใจหรือว่าการหบาดระแวงมองเพื่อนในแง่ลบมองคู่รับในแง่ที่เป็นอกุศล บางทีก็คิดอย่างนั้นกับพ่อแม่จิตใจก็ขุ่นมัวเสียใจว่าทำไมฉันคิดแบบนั้นอันนี้ธรรมดามากเลยนะจกนกระทั่งพูดกันว่าเนี่ยยิ่งภาวนาเท่าไหร่ก็ยิ่งเห็นความความโชคร้ายของตัวเองถ้าถ้ามาถึงตรงนี้ก็ถือว่าทำทุกมาถูกทางแล้วนะเพราะว่าใจมันเริ่มที่จะแสดงอาการที่เป็นธรรมชาติของมันออกมา แต่เราก็จะไปคิดว่านั่นเป็นเรานะจะไปคิดว่านั่นเป็นของเราพอเราไปคิดว่านั่นเป็นเราเราจะทุกเลยนะว่าฉันทําไมเลวขนาดนี้ทําไมฉันชั่วขนาดนี้นะเราก็เลยไม่อยากภาวนาไม่อยากทําสมาธิแล้วหรือว่าเกิดความท้อแท้อันนี้เราไม่ได้ไม่ได้ดูเฉยเฉยไม่ได้รู้ซื่อๆนะถ้ารู้ซื่อๆเนี่ยมันไม่มีการตัดสินมันไม่มีการวิาพาควิจารณ์มันไม่มีการยึดมาว่าเป็นเราเป็นของเรากิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่เรา ไม่ใช่ของเรานะมันก็เป็นแค่สภาวะธรรมที่เกิดขึ้นังั้นการที่เรานะพยายามที่จะฝึกใจยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นว่ามันคือความจริงที่เกิดขึ้นนะมันจะช่วยทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะฝึกใจให้รู้ซื่อได้และในเวลาเดียวกันเมื่อเรารู้ซื่อได้เนี่ยหรือว่ารู้วิธีเนี่ยเราก็จะทําเราก็จะยอมรับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นกับใจของเรา รวมทั้งสิ่งที่เกิดขึ้นกับกายของเราก็ได้ความปวดความเมื่อยเวทนาที่เกิดขึ้น <c oughs> ม, มีเวทนาที่เกิดขึ้นก็ยอมรับมันไปพาคนเดินจงกลมถอดรองเท้าเนี่ยเยยดียวบนปวดแผลเนี่ยมันก็ไม่ได้แหลอะไรมากนะแต่ว่าคนที่ไม่เคยเดินจะปวดมากนะปวดจนบางคนนะลั่นวาเจ้าจะไม่เดินอีกแล้ววันลุ้งขึ้นนะไม่ไหวแต่ก็บอกเขาว่าจริงๆเนี่ย เราลองมาดูใจสินะไอ้ที่กายปวดมันไม่เท่าไหร่แต่ที่ใจปวดเนี่ยมันมันแยก่กว่าดูใจที่มันบน่นใจที่มันโวยวายใจที่มันผักสายใจที่มันไม่ยอมรับนะลองดูใจแค่เห็นใจที่โวยวายผักสายปฏิเสธี่แค่นี้ก็พอแล้วพอทำให้ใจมันกลับมาเป็นปกติได้เมื่อใจไม่ทุกข์มันก็เลยแต่ทุกกายอย่างเดียวมันก็เป็นทุกข์ที่พอรับไหวหรือว่าจะเสริมไป อีกมาตรการหนึ่งก็ได้คือยอมรับมันยอมรับอย่าบ่นอย่าติโพยตีพายไม่ต้องบ่นว่าทําไมถึงต้องพามาเดินตรงนี้มันสายไปแล้วนะเพราะว่าตอนนี้กําลังเดินอยู่นะไม่ต้องบ่นว่าไม่น่าเลยทําไม่น่ามาเดินตรงนี้เลยน่าจะเดินตรงโน้นเนี่ยมันไม่มีประโยชน์และเพราะตอนนี้กําลังเดินอยู่สิ่งที่ควรทํำคือว่าทําใจรับมือทําใจรับกับสิ่งที่เกิดขึ้นให้ดีที่สุด อยู่กับปัจจุบันยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นหลายคนพอพอเข้าใจเรื่องนี้เนี่ยไปปฏิบัติเอวันที่สองวันที่สามก็ดีขึ้นรู้สึกว่ามันปวดน้อยลงบางคนคิดว่าเข้าใจเป็นพราเท้าด้านที่จริงยังไม่ได้หรอกนะแค่สองสาวันแต่ใจมันยอมรับได้พอใจมันยอมรับได้เนี่ยให้ความทุกข์ใจก็ลดลงพอความทุกข์ใจลดลงมันก็เลยแต่ความทุกข์กายนะก็เรียกว่าความทุกข์มันหายไป สในสามก็ว่าได้เนะี่ยในที่ถ้าคํานวณกันเป็นตัวเลขเนะี่ยความทุกข์มันหายไปสองในสามหรือแค่หนึ่งในสามก็เลยพอทนไหวเรื่องการยอมรับความจริงเนะี่ยมันเป็นเป็นศิลปะนะเป็นเคล็ดลับในการรับมือความทุกข์ที่ที่จําเป็นมากนะแต่มก็ต้องทําไปพร้อมๆกับการทํากิจนะคือการเตรียมป้องการเตรียมการการป้องกันนะทำจิตอย่างเดียวไม่พอนะแต่ว่าต้องทําทํากิต ด, ด้วยนะ การป้องกันนะไม่ให้มันเกิดขึ้นหรือว่าให้มันเกิดขึ้นได้ได้ช้าที่สุดแต่พอมันเกิดขึ้นแล้วนะเราก็ทําจิตยอมรับมันแล้วขนาด ท, ทำจิตก็ไม่ใช่ปล่อยไปแล้วเลยก็ยังทํากิจอะไรที่ยังแก้ไขได้อะไรที่บรรเทาได้ก็ทําไปนะอันนี้มันเป็นสิ่งที่นะต้องทําควบคู่กันไปเสมอนะทํากิจกับทาจิตทําด้วยความไม่ประมาทนะส่วนทําจิตก็ปล่อยวาง เพราะยอมรับมันได้คำนี้พูดกันเท่านี้นะ